ข อ, อ, อบนอมพระธาตนไตขอากาสพระอาจารย์วัฒชัยแล้วก็เพื่อนจะธรรมทุกท่าน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 การปฏิบัติธรรมก็คือการกลับมากลับมาดูความจริงที่มันที่มันปรากฏในกายในใจเนี่ยแหละนะความจริงมันคืออะไรนะเราก็ต้องดูลงไปเรื่อยๆนะดูลงไปเรื่อยๆแต่ก่อนเราก็คิดว่ากายคิดว่าใจเนี่ยมาเป็นมาเป็นตัวเป็นตนของเราเนาะเราเข้าใจอย่างนั้นนะเรารู้สึกอย่างนั้นนะเรารู้สึกว่า ร่างกายเนี้ยเนี่ยมันเกิดมาจากท้องแม่เราก็เป็นทารกเราก็โตขึ้นมาเราก็จนอายุขนาดนี้เนี่ยมันก็คือเราทั้งนั้นแต่เป็นเราที่พัฒนาการได้เรื่อยโตขึ้นมาเรื่อยเนี่ยร่างกายนี้มันก็เป็นของเรานะถุดท้ายร่างกายของเรามันก็จะแก่ก็จะเจ็บก็จะตายไปแต่ถ้าเรา จะมีความเข้าใจเช่นนี้เนาะเมื่อร่างกายมันทุกข์นะเราก็ทุกข์ด้วยนะเมื่อร่างกายมันตายเราก็รู้สึกว่าเคว้งควนะ้างเราก็จะทุกข์มากนะแต่ถ้าเราภาวนานะก็เพื่อให้เห็นว่าร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่เราอย่างไรนะนะการที่เรามาภาวนาเช่นการเจริญสติแบบนี้มันจะทำให้เราเห็นอย่างเรา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 มันก็ต้องเห็นกายในกายกายในกายไม่ใช่เห็นสิ่งที่มันอยู่ข้างในเนื้อหนังของเรานะแต่เป็นสิ่งที่เป็นสภาวะความจริงที่เกิดขึ้นกับกายนี่แหละเป็นเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นไตรักษ์ที่มันแสดงอยู่ในกายของเราเนี่ยะมันเป็นแบบไหนเราต้องดูเขาเห็น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 แต่พอเราทำไปเรื่อยเราจับความรู้สึกตัวได้นะแรกๆเลยเนะี่ยปฏิบัติทมจับความรู้สึกตัวให้ได้รู้สึกแบบไหนรู้สึกที่ปัจจุบันนะกายนั่งกายยกมือกายเดินกายกินกายนอนนะให้รู้สึกถึงการมีอยู่ของร่างกายเนาะแต่ให้มีใจที่มีสติคอยดูมันอีกทีให้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 แบบนั้นเนะี่ยเขาก็ทําท่าเหมือนนั่งกอดเขา่าเนาะนั่งแบบกลัวนั่งเอายกเข่าชันขึ้นแล้วก็กอดเข่าไว้นะเนะี่ยแสดงว่าท่าทีเหมือนคนกลัวก็กลมหน้าทักหน่อยพอสักพักหนึ่งนะเขาก็ถามว่าแล้วถ้าสมมุติว่าคุณดุจพ้นจากสภาวะนั้นได้เนี่ยนะร่างกายคุณจะเป็นแบบไหนอืม ก็ไม่ต้องใช้ความคิดมากนะอกถ้าหลุดพ้นแบบไหนเนาะก็แค่เอามือออกจากเขาวางเข่าสบายๆนั่งธรรมดาเออที่จริงการพ้นจากอารมณ์เนี่ยมันก็ง่ายๆแค่นี้เนาะยอมเข้าใจไหมบางทีพอเวลาเราเรากลัวเนาะร่างกายของเราก็ไม่เป็นธรรมชาตินะเราก็เกรงเกงิงเครียด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 บางทีเราเดินแล้วมันใจรอยมันฟุ้งซ่านมากนะอ่ะก็ตั้งใจสักหน่อยนะอย่าไปคิดเยอะนะคิดเยอะไม่เป็นไรแต่อย่าคิดนานนะเข้าใจไหม <c oughs> บางทีเราภาวนาเนี่ยบางทีมันฟุ้งซ่านเยอะนะอยิ่งเราเจริญสติแบบเนี้ยไม่ได้ไม่ได้แบบน้นการทําสมาธินะการปฏิบัติทำบางทีมันมีสองแนวหลักๆลักโยมนะแนวหนึ่งคือ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 มันจะเป็นคล้ายๆมันจะตื่นของมันเองนะอันนี้ก็เป็นการรู้สึกตัวทั่วพร้อมอีกอย่างหนึ่งนะนะังนั้นการรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยจะเรียกว่ารู้กายนะด้วยใจที่เป็นกลางด้วยใจที่ตั้งมั่นไม่เพ่งไม่จ้องแล้วก็ไม่เผลก็ได้หรืออีกส่วนนึ้งก็คือการที่เรารู้ทันเวลาใจมัน เ, ลนเผลไปนะหรือใจมันมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาถ้าเรามีสติ ค, คอยรู้เนี่ย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 เนี่ยเราก็แค่รู้แบบนี้ไปเรื่อยๆความรู้ตรงนี้ที่เรารู้สึกตัวไปเรื่อยๆนี่แหละมันจะค่อยๆพัฒนาเนาะมันจะค่อ ย, อยพัฒนามันจะค่อยแยกสภาวะต่างๆให้เห็นกองรูปเป็นแบบไหนกองนามเป็นแบบไหนนะอาการของรูปเป็นแบบไหนอาการของนามธรรมเป็นแบบไหนเมื่อเราค่อยๆแยกไปโยมนะมันเหมือนคล้าๆเราแยกรายละเอียดไปเรื่อยเอ้ย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 นะลองสังเกตใจปกติไหมหรือว่าใจผิดปกติไปใช่ไหมอารมณ์โกรธเป็นแบบนั้นหรือเรามีความอยากเกิดขึ้นนะี่มันจมกับความอยากเนี่ยมันทุกข์ไหมเราอยากจะได้โทรศรัพท์รุ่นใหม่เราอยากจะได้นะกาแฟสักแก้วนะอยู่วัดบางทีกาแฟหายา ก, กนะอยากจะก็ได้กาแฟสักแก้วหนะึ่งมันอยากมันทุกข์ไหมนะ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 แต่อุปทานที่เราว่ายึดว่ากิเลสมันเป็นเรานี่แหละมันคือตัวทุกขนะ์ทุกคนก็มีกิเลสนะโยมนะแต่ถ้าเราไม่ไปยึกกิเลสไม่ไปทำตามกิเลสเนะ่มันก็ไม่ทุกข์นะเหมือนมีคนเคยเคยถามหลวงปู่ดูล น, นะว่าหลวงปู่ดูลยังมีความโกรธอยู่หรือเปล่าหลวงปู่เขาบอกว่ามีแต่ไม่เอานะเราอาจจะมีความโกรธอยู่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 ก็ให้มันผ่อนคลายเป็นปกติของเรานะเราจะเดินก็เหมือนกันเนะเราจะทำาะไรก็แล้วแต่ให้ให้มันอย่าฝืนนะหลักสำคัญคืออย่าฝืนนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าขี้เกียจที่คานนะคบว่าไม่ฝืนนะก็คือเราก็ทำความเพียรไปแต่ทำให้มันจังหวะหมันพอดีเดินให้มันผ่อนคลายพอดียกมือให้มันผ่อนคลายพอดีนะหน้าตาให้มันผ่อนคลายพอดี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 แต่ที่สําคัญก็คือว่าคอยมีสติรู้ทันด้วยเวลามันเผลอไปนะว่ามันลงไปนะก็กลับมาหาสิ่งที่เราทำนะหาปัจจุบันที่กำลังทำอยู่ใจมันก็จะกลับมาเป็นปกติของมันเองนะมันก็ผิดเผลอลงไปบ้างแล้วก็กลับมาหลวงพ่อคำเขียนก็บอกที่จริงภาวนาไม่มีอะไรมากนะมีแต่รู้กับหลงท่านนั้นแหละไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้เลยนะ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 ตายไปแล้วก็อย่าคิดนะว่ามันจะหายลงนะ <c oughs> ก็หลงไปเกิดอย่างอื่นใหม่นะก็ลงไปเรื่อยนะเวียนว่ายตายเกิดนะวัตถุส่งสารมันมันไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นนะถ้าเราไม่ทำให้มัน เ, เกิดการตื่นรู้ขึ้นมาเนาะการตื่นรู้ขึ้นมาจะทำให้เราลดตอแรกก็ลดลดลงไปเรื่อยในการหลงเนาะลดพบภูมิเรื่อยไม่ใช่เป็นเรื่องของ